ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันก่อนได้พูดถึงเรื่องสมิที่สูตรแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับคติหแต่ว่าก็ได้บอกเลยไปว่ามันมีกำเนิด4คติหวบิญญาณที่ฐิ 7, แล้วก็สัตววาต9า ซึ่งตามปกติเราก็ไม่เคยพบบ่อยเพราะว่าอยู่ในอังคุตรนิกายก็ตามหมวดนะฮะเช่นสตาวาตเจก็อยู่ในสตกากะนิบาตอังคุตระนิกายบินได้ไม่ใช่สตาวาต9ก็อยู่ในนาวการนิบาตอังคุตรนิกายสตาว า, นนวาตเจ็ด 7, ในวิญญาณที่ตีเจดก็อยู่ในสตกากะนิบาต หรือกำเนิดสี่ก็อยู่ที่จตุ ก, กัณิบาทแต่ตอนนี้เราพูดเรื่องสังยุตติกายซึ่งมันคนละหมวดกันเลยเกรนว่าน่าจะมาทำความรู้จักกับกลุ่มองค์ธรรมเหล่านี้เพราะว่าเป็นพระบาลีพุทธภาสิทธิ์ที่เกิดขึ้นด้วยอัธยาศัยของพระองค์ที่ต้องการแสดงระบบ ของสกลจักรวาลโดยเฉพาะก็เน้นไปที่สัตวโลกคือพวกหมู่สัตว์ทั้งหลายที่มีความแตกต่างกันโดยกำเนิดโดยคติโดยที่ตั้งของวิญญาณแล้วก็โดยที่อยู่อาศั ย, ยกำเนิดนั้นเราค่อนข้างคุ้น เวลามีการกรวดน้ำก็พูดถึงขันห้าขันหนึ่งขันสี่แสดงว่าสรรพชีวิตทั้งหลายในโลกเนี่ยถ้ากราดโดยขันมันก็มีอยู่สามประเภทประเภทหนึ่งก็มีขันครบทั้งห้าเช่นมนุษย์สัตว์เนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบแต่บางพวกก็จะมีขันสี่ ก็คือพวกอรูปประพรมที่ไม่มีรู ป, ปรขันแต่มีกลุ่มของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกลุ่มนามธรรล้วนๆแต่ยังไม่เคยพบรายละเอียดที่อธิบายขยายความไว้ว่าม่อยู่ยังไงคือแต่เรานึกถึงความเชื่อ ในศาสนาโบราณของอียิปต์ที่เป็นเหตุใ้เกิดปิระมิดคือเขามีความเชื่อ ว, ว่าชีวิตหลังตายเนี่ยตัวจิตวิญญาณเนี่ยจะล่อนรออ่องรอยอยู่เหนือสากศพแล้วกร็รอเวลาที่จะฟื้นคืนมา ก็กลายเป็นชีวิตในโอกาสต่อไปเพราะงั้นเขาก็เก็บซากศพเอาไว้ด้วยระบบของมัมมี่อย่างที่เราทราบกันเราก็ทำให้นึกถึงว่าเวทนาสัญญาทังขานวิญญาณเนี่ยก็คือจิตกับเจตสิกซึ่งก็เกิดดับร่วมกันแล้วก็ท่านแบ่งเป็นภพเป็นภูมินะฮะเป็นอรู ป, ปรภูมิ แล้วก็เป็นอรูปภพก็เป็นที่อยู่แต่ว่าไม่มีรูปร่างคือสัมผัสได้ด้วยใจทีนี้กำเนิดเนี่ยมันก็พูดถึงกำเนิดสีเอาไม่ใช่อีกขันขันหนึ่งเนี่ยก็คือเขาเรียกอสัญญีสัตตาเป็นผลจากการได้ เจตุจารย์หรือว่าปัญจมชาติแล้วก็ท่านตายในสมบัติก็ยังเหลือเฉพาะรูปที่เราเรียกว่าพรหมลุกฟักกาเนิดขอนท่านเหล่านี้ก็เป็นกาเนิดที่เราเรียกว่าโอปปาติกะกาเนิดสองพวกเนี่ยนะครับปปาติกะกำเนิด คืมีขันหนึ่งก็มีขันสี่นี่เป็นโอปปาติกะกําเ น, นิดแต่ขันห้านเนี่ยเป็นครบคือหมายความว่าอาจจะเกิดในคันก็ได้อาจจะเกิดในไข่ก็ไ ด, อจจ ด, ได้อาจจะเกิดในสิ่งศกปลกก็ได้แล้วก็อาจจะเกิดโดยโอปปาติกะคือโตเป็นวินยูชนขึ้นมาก็ได้ ทีนี้การเกิดมันก็จะเกิดในคติหอย่างใดอย่างหนึ่งตัวจำแนกให้เกิดในคติคือสถานที่ไปนะฮะสถานที่ไปคือจากสถานที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเาเรียกคติคือสถานที่เป็นที่ไปนะของสัตว์ทั้งหลายแต่เ ร, เรียกคตโตก็แปลว่าผู้ไป นะสุกโตแปลว่าไปสู่สุกติคือผู้ไปสู่สุขติทุกโตก็คือไปผู้ไปสู่ทุกติเราะั้นคติก็อย่างที่พูดไว้ในวันก่อนว่าเป็นการจำแนกที่ค่อนข้างแปลกเพราะไปอยู่ในพวกอบายได้ทั้งสาม คือนิรยาคติก็เป็นนรกแล้วก็เปตาคติก็เป็นเปรตเดราาัจฉานคติก็เกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานพวกนี้ก็มีขันห้านะฮะแล้วก็มนุษย์สัตติก็คือการเกิดเป็นมนุษย์ประเภทต่างๆ แต่โดยหลักการที่ปรากฏในพระสูตรเนี่ยบอกว่าชีวิตระดับมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะโลกเราเพียงโลกเดียวแต่ว่ามีเป็นพันๆก็ทรงใช้าคาว่าเป็นพันๆโลกแล้วก็สอดคล้องกับพระพุทธธรรมรัต์รรที่ตรัสถึงการล่องลอยในสังสารวัฏ ที่จริงก็ไม่ใช่ล่องลอยหรอกมันเป็นภาษาที่สื่อแล้วเนี่ยมันก็ชอบปวดเหมือนกันคือท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรแต่ว่าเราก็เรียกว่าท่องเที่ยวที่จริงมันก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะมันไปเกิดตาตายปั๊บเกิดปุ๊บนะฮะเขเรียกว่าจุติปั๊บก็ปฏิสนธิปุ๊บเลยมันจะไกลขนาดไหนก็ได้ไม่ได้แปลกอะไร สมมติว่ามันไกลกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเราตาจากโลกมนุษย์ปั๊บมันก็เกิดที่ดาวดวงนั้นปุ๊บเลยเพราะมันเป็นเรื่องของใจมันเป็นนามธรรมล้วนๆที่ไปเกิดเนี่ยก็คือกิเลสกับกรรมแล้วก็วิญญาณซึ่งเป็นนามล้วนๆนามมันไม่ถูกกีดขั้นโดยกาลเทศะโอกาสสถานที่อะไรทะลุฝาทะลุกำแพงไปได้หมด เพราะนันจึงเป็นขนาดที่เร็วมากก็จุติปั๊บปฏิสนธิปุ๊บเรียกก็าตายปั๊บเกิดปุ๊บทีนี้ต่อไปเนี่ยท่านไปรวมสวรรค์สวรรค์หกชั้นปรมโลกรูปประพรมสิบหกชั้นแล้วก็อรูปประพรมสี่ชั้นเป็นเป็นสุขติคติ หรือเป็นสวรรัสด์ทีนี้พวกคติเหล่านี้มันก็กลายเป็นที่ตั้งของวิญญาณที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันเดี๋ย ว, ว่าพูดคนละคนละกรณีแต่ามาเคยตั้งใจว่าจะทำหนังสือธรรมปริทัศน์ก็ จ, จริงทำแล้วนะฮะทำแล้วคือทำเล่มหนึ่งแล้วทำสองสองวิธี วิธีหนึ่งก็คือเรียงตามลำดับหมวดที่สมเด็จพระมหาสมาเจา้ากรมยาวชิยานโรรส่งรวบรวมไว้อีกเล่มหนึ่งก็เรียงเกาะกลุ่มก็ใช้ชื่อว่านิเทศธรรมตอนนี้ก็กำลังเผยแพร่อยู่นะฮะแต่เล่มใหญ่มากแล้วก็เล่มสองนั้นเรียกว่าธรรมปริทัตสอง เร่องก็เรียกว่าธรรมะปทัดเนเหมือนกันทีนี้ก็คิดจะทําแบบหมวดพอเราไปดูเขาจริงเนี่ยหมวดมันแน่นล้าเกินคือหมายความว่ากลุ่มเนี่ยที่จริงมันกลุ่มทุกขสัตว์ล้วนท่าน ส, าสังหลายลสังเกตว่ากลุ่มนามารูปนะฮะแล้วก็เป็นทุกข์สัตว์ <S S ล้วนๆเพราะนั้นพอเรามาเรียงเนี่ยข้อความเนี่ยมันจะซ้ําเลยเพรเพื่อเรื่องทุกข แต่ตอนพระเจ้าเทเนียไม่ทําเพราะว่าทรงหยิบมาทีละประเด็นแต่เขาจะเชื่อมโยงเองโดยกระบวนการของธรรมชาติเขาหมายความว่ากำเนิดสี่คติห้าวิญญาณที่7เจ็ดสัตววาตแป แล้วก็ตลอดถึงพบสามภูมิสี่อะไรอะไรนี่มันจะเชื่อมโยงกันเองหมดเดยอยู่ในเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าพูดคนละมุมคือแยกมาพูดคนละมุมกันแต่ผู้ฟังต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าท่านจะเน้นตรงไหนคือเรามาเน้นหมดไม่ได้หรอกมันเรื่องมันเยอะมันก็เน้นเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่หมายความว่า เราต้องการจะพูดเรื่องอะไรถ้าต้องการจะพูดเรื่องของกรรมมันก็จะนำไปสู่พวกคติแต่พวกกําเนื้อแล้วพูดถึงความประนีตของกรรมมันก็จะไปพูดที่วิญญาณทิติหรือสัตว์แต่ว่าตามปกติก็ไม่เคยพูดอะเพราะอะไรเพราะว่ามันยาวด้วยแล้วก็พิสูญยากต้องการ ถ้าเราต้องกา ร, ราความเข้าใจจริงๆคือเราต้องเชื่อตามที่พระเจ้าว่าไวนะ้เพราะรายรพระสัตว์เหล่านั้นบางประเภทเราไม่เคยเห็นพระเราเห็นมนะุษย์กับสัตว์เทลิาเนี่เทล่เห็นนะอย่างอื่นเราก็ไม่ได้เห็นนะเป็นว่าแต่มีใครมีประสบการณ์บางคนเคยพบเทวดาภูมิเทวดาลุกเทวดาอากาศเทวดาเราก็พบท่านกับแบบคนนะ่ะ ก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างมันก็ดูยากวิญญาณทิตินี่แปลว่าภูมิเป็นที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งก็คือที่เกิดอะที่เกิดที่อยู่ที่อาศัยอะหมาความ่าราตาจากโลกมนุษย์เนี่ยสมมติเรตาจากโลกมนุษย์อาจจะเกิดในโลกมนุษย์อาจจะเกิดในโลกอื่น ตาจะโรคอื่นมาเกิดในโลกมนุษย์หรือว่าเกิดในโลกอื่นหรือเกิดโลกอื่นๆเอาอนิยายนายเลยไม่ได้เลยสมอุ ป, ปมาว่าเหมือนกระโยนท่อนไม้ขึ้นไปบนอากาศเนี่ยบางครั้งก็ปลายลงบางครั้งก็โค่นลงบางครั้งก็ตรงกลางลงแต่ที่แน่นอนอที่สุดคือตกตกลงมาข้างล่างแน่นอน ผลจากรายที่มีกิเลสปีกรรมอยู่เนี่ยการหมุนวนในสังสารวัฏมันก็ต้องมีอยู่ตามกระแสของกเพอะการอธิบายเนี่ยให้รายละเอียดพิสดารมากนักกรอกก็อบอกว่าสัตว์เ่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเช่นพวกมนุษย์พวกเทพบางหมู่พวกวินิปาติกะเปรตบางหมู่ คำวร่างกายต่างกันเห็นไหมมนุษย์เราเนี่ร่างกายต่างกันสัญญาเนี่ยโดยความหมายทั่วไปก็คือสัญญาขันที่เราแปลว่าความจําบางครั้งพูดไปในทํานองคล้ายๆกับพ่อตกลงบางครั้งก็พูดไปในทํานองคล้ายๆกับการกําหนดหมายแต่นี้ก็รู้สึกจะเน้นไปที่ตัวความจํา คือความสรงจำที่แตกต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าประสบการณ์ที่แวดล้อมตัวเราเนี่ยเราก็ตักกันนะคล้ายๆกับอะไรยกตัว อ, อย่างเช่นเช่นสมมติว่าเราจะให้บรรยายคำโครงหรือคำกรอนอย่างใดอย่างหนึง่งคนเราแต่ละคนนั้นมี ประสบการณ์ในชีวิตมาในเรื่องนั้นๆเนี่ยแตกต่างกันเราอาจจะเคยเห็นทะเลเราอาจจะเคยเห็นภูเขาเร า, า จ, จะเห็นทุ่งนาเห็นป่าเห็นทิวทัศน์จากที่ต่างๆแต่ว่าเวลาเราคิดออกมาแล้วเขียนออกมาเป็นภาพเนี่ยภาพจะไม่เหมือนกันเพราะไดเพราะว่าความทรงจำของเราเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น มันต่างกันเพราะคนที่เกิดมาโดยพื้นฐานในโลกบางระดับก็จะมีลักษณะอย่างนั้นประการต่อไปท่านบอกว่าสัตว์เราหนึงน่งมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นพวกเทพผู้อยู่ในจำพวกพรมุมนะพวกเกิดในภูมิของปฐ ม, มชาติ ก็มีอยู่สามระดับนะฮะพรมปริสัทชะพรมปรโรหิตามหาพรมมาอันนี้ท่านบอกว่าสัญญาอย่างเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละท่านนั้นเกิดจากผลของฌานพวกนี้เป็นบทลงตัวนะหมายความอัทชานท่านไม่เสื่อมเนี่ยท่านจุติปั๊บก็จะบังเกิดเป็นพรม แต่ว่าชาดมันมีหยาบกลางประณีตแตกต่างกันเพร้นชั้นที่ท่านอุบัตจึงแตกต่างกันกลายเป็นพรหมบริษัทพรห ม, มปุโรหิตแล้วก็พรหมเป็นตัวมหาพรหมประการต่อไปท่านบอกว่าสัตว์เราหนึ่งมีกาอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันเช่นพวกเทพอาภัสร์อาภัสร์รนี่จริงก็เป็นพรหมนะ เป็นพรมพที่ระดับสูงขึ้นไปเรียกอาพัสรพรมแล้วก็ตามตำนานของเราที่กล่าวไว้ในอาการยสูตรพูดไปในํำนองว่าบันบุรุษมนุษย์เราเนี่ยก็มาจากอาพัสรพรมก็เป็นวัตถุเรืองแสงมาอุบัติในโลกมนุษย์แล้วก็พอใจติดใจอยู่กับโลกมนุษย์ในที่สุดมันก็ก็บอกไปกินง้วนดิน รูปร่างเป็นยังไงก็ไม่ทราบแล้วก็ทำกายหยาบขึ้นก็กลายเป็นบรรพบุรุษมนุษย์ที่สืบต่อกันมาก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะคือถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยว่าพราหมณ์เนี่ยเขาเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมาจากพระมนูเราก่อของพระมนูได้ชื่อว่ามนุษย์ แม้ในการต่อมาพูดว่าจากการสร้างของพระพรหมหรือแม้จะมาจากปรมาตามันพรหมมันมหาตามันอาตามันอะไรก็ตามนะฮะแต่ของเรานั้นไม่ใช่เลยเป็นตัวมันเองเนะี่ยหมายความเป็นตัวอาภัสรพรหมที่ลงมาเกิดในโลกมนุษย์อาภัสราปแปลว่าเป็นแดนที่ซานออกของรัศมีคือเรื่องแสง ลักษณะเรื่องแสงท่านบอกว่ามีสัญญาต่างกันก้อนนี้ก็คงพูดถึงระดับหยาบกลางประนีตนะของตัวฌานที่ท่านได้บรรลุกแต่วสัตว์เราหนึ่งมีการอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นพวกเทพสุภกินหะสุภกินหะก็เหมือนกันก็เป็นพรมที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีก เกิดโดยภูมิของรู้สึกจะเป็นตติยชาญนะครับก็ยังไม่เคยพบรายละเอียดแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงว่าชีวิตของบุคคลเนี่ยมันกรรมจำแนกละเอียดมากไม่ใช่ว่าจำแนกเฉพอพบะบพเฉพาะชาติเฉพาะภูมิเดี๋ยวว่าจำแนกในเรื่องอื่นไว้อีกเยอะแล้วก็ต่อมาก็เป็นพวก อรูปภพม์สามสามพวกนะสัตว์เราเนินเข้าถึงอากาสานัญจายตนะคือหมายความมาเป็นอรูปภพมไดอรูปปร ะ, รารประชานรันชัน้ชั้นหนึ่งก็เกิดในอากาสานัญจายตนะพบผู้ที่หกก็เข้าถึงบัญญาณินันจายตนะเป็นพวกนี้เป็นอรูปภพม์ทางนั้นเพราั้นรูปร่างถามมาเป็นยังไงกูบอกไม่รู้เพราะมันเป็นนามธรรม เป็นกลุ่มของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังกล่าวนี่ก็เรียกว่าสัตวนนะไม่ใช่วิญญาณทิติคือที่ตั้งของวิญญาณประการต่อไปนั้นเป็นสัตวาก้า9ก็ะหมายความมาเพิ่มขึ้นอีกสองที่ไม่ซ้ำกับวิญญาณทิติก็เพิ่มขึ้นอีกสองก็พูดในกรณีของเป็นที่อยู่ ซึ่งก็หมายความว่าเกิดปั๊บก็ก็อยู่ปุ๊บนะเพียงแต่ว่าท่านไปเพิ่มไปเพิ่มอรูปฌานข้อที่สี่ซึ่งก็หมายความว่าเป็นสัตวะข้อที่9ในขณะเดียวกันก็ไปเพิ่มข้อที่หคืออสัญญีสัตปุสัตที่มีขันเดียว รวมแล้วก็กลายเป็นเก้าอย่างอื่นนี้ก็จะเหมือนกันนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นความรู้พิเศษเพียงแต่ว่านำท่านดั้งหลาให้มารู้จักว่าในเรื่องของเราอาจจะพูดว่าจักรวาลวิทยานะฮะเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลเนนะี่ย เราพูดถึงแสนโกดจั ก, กรวาลพูดถึงอสงไขยจั ก, กรวาลพูดถึงอนันดจั ก, กรวาลก็ไม่รู้เท่าไรเหมือนกันมันก็จำแนกมาเป็นกำเนิดสเป็นคติหเป็นพส3เป็นภูมิ4แล้วก็เป็นวิญญาณทิติเจแล้วก็เป็นสัตววาด9ซึ่งก็มีอยู่ในตัวสัตว เหล่านั้นเพียงแต่ว่าเอาประเด็นอะไรขึ้นมาพูดก่อนแล้วถ้าเรามองจากจุดนี้จะเห็นว่าแม้แต่ธรรมะเองก็มีลักษณะอย่างนั้นคือบางทีมันเป็นเรื่องของความเข้มขน้นความเข้มข้นขององค์ธรรมที่ท่านเรียก เป็นสมาธิสัมมาสังกรปะระทรมวิจัยวิมังสาอยู่ในโสมนสิการอะไ ร, ต, รต่างๆเนี่ยแต่และอย่างมันก็เป็นเรื่องปัญญาวิชาเรื่องยานเรื่องออแสงสว่างเรื่องดวงตาทั้งหมดเนี่ยเ ป, เป็นเรื่องปัญญาทั้งนั้นแต่ว่าคุณภาพของปัญญาแต่และนามเนี่ยมันมีความเข้มข้นแตกต่างกันมีผลในการทําลายล้าง สิ่งที่ตรงกันข้ามกับตนยิ่งหย่อนไม่เหมือนกันนะเช่นว่าเป็นพวกระดับอวิชชาเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วมันก็ต้องมือระดับพระอาหารหันต์จึงไปดับอวิชชาได้ทีนี้ประเด็นของพระสูตรคือสมิติสูตรนี่ยังมีประเด็นที่ น่าจะทำความเข้าใจน่าจะรู้จักกัาไว้ในหลายๆเรื่องนะคือตามปกติแล้วเนี่ยอาตมาเขาก็ดีอย่างหนึ่งคือเป็นการเพิ่มเติมความเข้าใจในเรื่องที่สืบเนื่องมาจากตัวพระสูตรแล้วก็ขยายต่อออกไปทำให้บางครั้งบางคราวเนี่ยมันเหมือนกับเราเรียนได้หลายสูตร เพราะถ้าเราดูในแง่งความเป็นจริงแล้วที่อัตกถาท่านเอามาเนี่ยส่วนมากก็คือเอามาจากประสูนย์อื่นแล้วก็มาอธิบายหมายความอธิบายซึ่งกันและกันอันตมาเคยทดลองทำประสูตย์ในสังยุตติกายเนี่ยมีเจ0ดร้ยกว่าสูตรนะฮะแล้วก็มาทำได้ไม่ถึง70สูตรหสกว่าสูตร โดยเอาพระสูตรอธิบายพระสูตรหมายความพระสูตรบทหนึ่งเป็นบทตั้งแล้วก็ข้อความที่สอดคล้องกันเนี่ยอยู่ในพระสูตรไหนก็เามาอธิบายขยายความพระสูตรนั้นพูดง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าอธิบายพระพุทธํารัตนของพระองค์เองเราก็ทาหน้าที่รวบรวมนําเรียบเรียงร้อยกลองเพื่อให้มองได้ ตลอดสายของเรื่องเหล่านั้นก็มีประเด็นที่ท่านเน้นถึงตัวที่เรานำมาเป็นเป็นตัวกระตุ้นมานะคือเราอาจจะไปตกเถียงกับคนนั้นคนนี้คนโน้นนะฮะเพราะด้วยความรู้สึกเช่นสมมติว่าตีเสมอ ดีเสมอโดยชาติบ้างโดยโคตรบ้างโดยสกุลบ้างโดยผิวพรุ์บ้างโดยการศึกษาบ้างโดยคุณสมบัติพิเศษที่เรามีเราคิดว่าเรามีแล้วก็มีดีกว่าคนอื่นก็ทำให้เรายกตนข่มคนอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จัดการทั้งหลายอันเป็นไปกับด้วยเล็กน้อยโดยคาถากึง่ง ว่าบทว่ามานะสามอย่างเนี่ยคือจัดเป็นส่วนแยกออกมาเป็นประเภทแล้วก็จำแนกมานะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผู้เลิศกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาเป็นผู้เลวกว่าเขาทีนี้ไอ้สามเนี่ยแยกออกแยกตัวเองออกไปอีกสองคือหมายความว่าเป็นผู้เลิศกว่าเขา แล้วก็ทำกันตัวเลิศกว่าเขาเสมอตัวเสมอเขาทำกันตัวว่าเร็วกว่าเขาหรือเป็นผู้เสมอเขาแต่ไปมาณว่าเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขาหรือเราเร็วกว่าเขาจะเกิดมาณว่าเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขาก็กลายเป็นมาณก้าเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างละเมียดละไม คือแยกแยากแยกแยา ก, ก, ก, กอย่างที่เคยบอกว่าสักกายทิฏฐิสิบที่ปรากฏในขันทั้งห้าเนี่ยกลายเป็นสักกายทิฏฐิยี่สิบมันเป็นความคิดที่ที่ละเอียดมากๆจนเราดูแล้วเราก็ น, นึกไม่ออกตนเป็นรูปรูปเป็นตนตนมีในรูปรูปมีในตนนะอย่างละสอย่างเงี้ย เวทนาสีสัญญาสีสังขารสี่วิญญาณสี่รวมแล้วก็กลายเป็นสีห้าก็ยี่สิบถ้าถามว่าเราคิดว่าตนเป็นเราเราเป็นตนตนมีในเราหรือเรามีในตนโอกาสที่จะตอบได้เนี่ยตอบยากเพราะจริงๆเราไม่ชัดเจนทั้งตนแล้วก็ทั้งเราไอ้ตนมันคืออะไรเราก็ไม่ชัดเจน เียนได้ว่าเป็นความรู้สึกความรู้สึกว่าเราเป็นเรามีตัวตนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโ น, น้นนะแล้วก็เอาไปเชื่อมโยงกับคนนั้นคนนี้คนโน้นตระกูลวงศ์สกนายาอะไรแต่ไรต่างๆซึ่งจริงในการเชื่อมต่อเนี่ยมันดีที่จะได้เกิดจิตสำนึกที่จะสืบต่อสิ่งดีงามของบรรพชนไว้ในฐานะเป็นลูกหลานของบรรพชน ยายบันประชน์นได้เสื่อมเสียแต่ก็เสี่ยงต่อ ก, การที่จะนำไปเทียบเคียงกับคนอื่นแล้วก็ยกตนข่มคนอื่นหรือดูหมินคนอื่น เ, เหตุผลที่ยกมานั้นเราจะเห็นว่าเขาก็สามารถยกมาได้อีกมากมายไกยกองทีนี้ประการต่อไปนั้นท่านอธิบายถึงว่า คุณลักษณะของพระกีณาสบคือประเด็นที่พระเจ้าทรงเน้นเนีน่ยเน้นที่พระกีณาสบเพราะว่าทรงยกเอามานะแต่คนที่ละมานะได้เนี่ยก็มีพวกเดียวก็คือพระหันตะกีณาสบคนอื่นไปละไม่ได้บางครั้ทรงอธิบายอธิบายว่าลักษณะของพระกีณาสบเนี่ย ท่านละแล้วทอดทิ้งแล้วสละคืนแล้วซึ่งบัญญัติบัญญัติว่าเราเป็นนายกรนายขอยนายคออะไรแต่เป็นนั่นเป็นนี้เป็นโนนเนี่ยคำเหล่านี้เราสังเกตว่าเป็นการไขความเพื่อให้เกิดความเข้าใจถามพระพระตถาจารย์ท่านออกมาจากไหนตรงนี้ที่จริงเป็นพระเ ป, เป็นพระตถาจารย์อธิบายท่านก็ออมาจากธรรมจากรกัปตนะสูตร ชาโงปินิสกโกมุติอนารโยนะฮะที่เราสวดเนี่ยก็หมายความมาทั้งหมดนั้นมันเป็นอาการของตัวนิพพานแต่ว่าเราจะสื่อสารนิพพานเนี่ยมันสื่อสารยากมันเป็นเรื่องสัมผัสตรงเฉพาะตัวคนนั้นเราก็อธิบายไม่ได้ เราอธิบายว่าหอมยังไงหวานยังไงอร่อยยังไงเค็มยังไงเปรี้ยวยังไงเนี่ยมันอธิบายไม่ได้มันเป็นความรู้ที่ถูกต้องต้องเกิดจากสัมผัสตรงของคนคนนั้นโดยเฉพาะมันก็เป็นไปตามหลักของมัทธรรมคุณที่เรียกว่าสันติโกอันผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองกับปั จ, จตังวิเดตะโวมโยหิบิญยชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน แล้วก็ท่านบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยผู้ที่ราคะยอมแล้วโทสะปะทุสลายแล้วผู้หลงแล้วคือราคานี่มันเทียบแล้วเหมือนกระสีมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงให้เราลองสังเกตว่าไอ้กิลเลสประเภทโลภะประเภทราค า, านี่ มันเป็นการปรุงคิดคิดปรุงขึ้นแล้วก็ที่จริงก็เหนือความจริงเกินความเป็นจริงอย่างเรายกตัวอย่างง่ายๆโครงนิราชนรินทร์ที่พูดถึงพัญญาเนี่ยคือเราอ่านแล้วเรารู้สึกขำๆคือยิ้มๆนะอ่านไป ย, ยิ้มๆเป็นการพูดถึงสิ่งที่ไม่มี แต่ว่าเป็นความรู้สึกของกวีว่ามันมีโฉมควรจากฝากฟ้าหรือดินดีหรือคนอันนี้พูดถึงคนนะไม่รู้จะว่าที่ไหนมันมันมันคล้ายๆกระสูงทรงเหลือเกินโฉมควรจากฝากฟ้าหรือดินดีหรือเกรงเทพภ้ายธรณีรอกรํม ถ้าผกฟ้าในกลัวว่าเทวดาจะไปเกี่ยวพารานสีแฟนของตัวเองควาลมเลื่อนโฉมบินบนลาวนาแม่ลมจะเชยให้ช้ำชอกเนื้อเรียมสงวนถูกลมไม่ได้อันนี้คือภาษากวีเฉยๆเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแต่มันมีในความรู้สึกของกวีเป็นแรงบันดาลใจ ให้เราลองสังเกตว่าเวลาพรรณน า, นาความงามของใครก็ตามนางสีดาก็ตามนางอะไรอะนางพิมพิราลัยก็ตามนะฮะนางรสจนาก็ตามอะไรแตโ่โอ้มันหรูเลิศเกิดแต่ถามว่ามันจะมีจริงเหรออย่างนั้นก็ขนาดว่าทศการพรรณ น, นาไอ้ไม่ใช่นาง สมนักขาพัฒนาความงามของนางสีดาทศ ก, กัณฐ์ฝั่งเนี่ยมันเคริมนะเคริมจนมองน้องสาวเป็นนางสีดานั่นคือเป็นจิตมันปรุงมันมีการระบายสีอะไรกันเยอะเพราลักษณะเหล่านี้ลักษณะของราคะโลภะเนี่ยมันเหมือนกับศรัทธานะ ศรัทธ า, ทาท้าขาัดปัญญาเข้ากำกับแล้วเนี่ยจะพูดจนจนเลิศเลยแล้วก็ลืมนึกถึงถึงปัญหาข้อเท็จจริงเหมือนชายหนุ่มพูดถึงหญิงสาวที่ตัวเองรักหรือผู้หญิงพูดถึงผู้ชายที่ตัวเองรักเนี่ยมันมันจะหล่อเลอิศเพลิดเพลิงเลยหลายปีมาแล้วก็มีคนรู้จักกัน เขาเป็นอาจารย์สอนหมาพิยไล น, นะฮะตอนเขาออกไปเนี่ขาเป็นรองศาสตราจารย์ลาออกไปปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็อยู่ในวัดเลยมันก็ไม่ถึงกับเป็นเป็นแม่ชีหรอกแต่ว่าก็แต่งชุดขาวก็เป็นอุปัสิการักษาศีลแปดไปจำเข้ามาอธิบายอาตมาฟัง หลวงพ่อบอกว่าจะแก้ปัญหาดกรรมเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกแก้ปัญหาโลกสงบเให้คนมาจเจริญภาวนาให้หมดโลกก็สงบอามาบอกก็ใช่ฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนมันตายหมดคือเราเห็นว่าการที่มีคนกลุ่มหนึ่งไปนั่งภาวนาอยู่ได้เนี่ยมันมีคนทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์ทา ผักปลาหญ้าอะไรอะไรมาเลี้ยงมาขายกันเนี่ยคนจึงมานั่งภาวนาอยู่ได้เหมือนกับพระที่ครองชีวิตอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าโยมเขาประกอบอาชีพชาว บ, บ้านเขาประกอบอาชีพกันแล้วก็มีส่วนหนึ่งเขาก็มาทําบุญกับพระพระก็สามารถที่จะบำเพ็ญภาวนาได้แต่ถ้าว่าไม่มีคน สร้างสิ่งโดนนี้ขึ้นมามาความไม่มีคนผิดในนั้นปัจจัยสีขึ้นมาเนี่ยมนุษย์มันก็อยู่ไม่ได้แต่นั้นคือเป็นการพูดในศรัทธาพอศรัทธาแล้วเนี่ยมันก็ลืมไปถึงว่าปัญหาข้อเท็จจริงว่าในข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นไปนได้ยังไงลักษณะเหล่านี้ก็จะเป็นเช่นนั้นคือหมายความว่าเป็นการปรุงแต่งคือเป็นการปรุงคิดคิดปรุงขึ้นไปเป็นนั้นมาก พระจ้จึงชาเขามายอมแล้วเป็นภาษายอมเหมือนกับเหมือนกับเอาสีมาย้อมผ้าเนี่ยผลกิเลสประเภทนี้จึงอุปมาเหมือนกับน้ําที่เกลือด้วยสีหลายๆสีมีความหลากหลายแล้วก็โทสะปทุสรายโทสะนี่จะเผารุนใจนะใจจะร่ารอนหัวใจจะเต้นแรงเต้นฉี่แล้วอาจจะ เหงือโชคหน้าตาถ้ามึงทึงหน้าหวาดกลัวแต่ทั้งหมดเด็คือหลงแล้วอาการเหล่านั้นก็หลงแล้วนี่คำคำหนึ่งที่เราไม่ค่อยเจอนะอเกิ <c oughs> มาเองเคยเคยตั้งข้อสังเกตมานานไอ้วิมานมันคืออะไรคุยกันในแง่ของภาษาบาลีนะก็ยังหาข้ อ, อยุติไม่ได้ ในตรงนี้พระอาจารย์ท่านใช้คำบาลีว่าณวิมานะมากาแปลว่าบรรลุธรรมที่ปราศจากมานะแล้วคือไม่มีมานะวิเปรเ อ, อวิเศษแจ้งตะเพราะว่วิมานะก็หมายความว่าปราศจากมานะ ก็เราเรียกชื่อที่อยู่ของเทวดาว่าวิมานเทวดาไม่ปราสยากมานานนะะก็แสดงว่าความหมายไม่เหมือนกันคือไม่เข้าถึงมานะสามถึงแยกก็เป็นเก้าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยท้องของแม่เนี่ยท่านเรียกว่าวิมานนะเพราะว่าเป็นที่อาศัย เหมือนวันก่อนที่พูดถึงกระต๊อบกระท่อมนะกระท้องของแม่นี่อุปมายเยอะพระกีณาศพย่อมไม่เข้าไปสู่ที่อาศัยคือทองมารดานี่เป็นการยืนยันว่าพระกีณาศพไม่เกิดในคันไม่เกิดในไข่ไม่เกิดในของสกปรกไม่เกิดโดยผุดขึ้นเพราะอะไรเพราะไม่มีปฏิสนธิพิญญาปฏิสนทิ่ั ญ, ญาเปนดับ อภิชาดับสังขารดับวิญญาณกระดับตพรงางั้นท่านจึงไม่เกิดในกำเนิดอะไรก็ตามและแต่จะเรียกทีนี้ท่านบอกว่าคำว่าวิมานามาญาเนี่ยวิบานมาญาเนี่ยนะเป็นถ้อยคำกล่าวถึงอดีตนะฮะแต่ใช้ในความหมายแห่งอนาคตทีนี้ก็ก็มีอย่างหนึ่งก็คือคือคำว่าตัดแล้ว เครื่องผูกเนี่ยก็แสดงส่วนใหญ่จะแสดงสีนะฮะเรียกว่ากันถะแเปลวเครื่องผูกมัดเครื่องร้อยรัดต่างๆเป็นกาะเป็นทิชชิแล้วก็เป็นภพแล้วก็เป็นอาวิสาอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ ที่ผูกมัดคนเอาไว้เครื่องผูกสี่อย่างก็ตัวนี้ก็แล้วแต่นะฮะบางทีเรียกว่าโอค่อย่างที่เราเจอในพระสูตรแรกของสังยุตติกายเนี่ยท่านเรียกว่าโอค่าสคือการมโบค่าทิโตคะอวิโชคะอันนี้ก็เหมือนกันก็เปลี่ยนเป็นว่ากามังการถะทิฏไิฏการถะแล้วก็ ราวาคันธะแล้วก็วิชาคันทะอันนี้ที่จริงเราเราไปเรียกชื่อตามตามอาการที่ปรากฏแล้วบางทีเราก็ไปนั่งนับน้ำข้าวมันก็เยอะเลยน้ำข้ามันก็เยอะเลยก็ที่จริงก็ไม่มีอะไรกโกลพาตุสาะโมหานั่นเดงทีนี้อีกประการหนึ่งเนี่ย คือพระอระหันต์เมื่อท่านนิพพานไปแล้วพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าใครจะแสบแยงหาอย่างไงก็จะไม่พบอย่างนี้เคยเล่าเรื่องพระโคติกะพระโคติกะนั้นท่านนิพพานเป็นชีวิตะสมัสสีสีคือกิเลสดับแล้วก็ชีวิตะ มานก็เที่ยวหาไปส่นที่วิญญาณว่าพระโคติกะนี่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็หาไม่เจอก็ทําเป็นบางหวนควันบุบบ้าบุบบ้บาปุบบ้าอยู่กลางอากาศรดยจากก้ากระสงเชียภิกษุทั้งหลายดูบอกว่าดูมานกําลังสแสวงหาวิญญาณของโคติกะโคติกะไม่มีวิญญาณไปเกิดหรอกเพระโคติกะนิพพานแล้วแต่พยา ม, มามก็ ปลอมตัวกลับมาเป็นมนุษย์มากวาพระพุทธเจ้ากราบทูลถามถึงที่ตั้งบิญญาณของพระโคติกะพระเจ้าทรงสแสดงปะระเอสต้ังสัมปันนศีลานางอัปปะมาณาวิหะดินางสัมมาดัญญาอิมุตตานามารมกังนาวิติมานเมื่อสแสวงหาอยู่ย่อมไม่พบผลทางของผู้สมบูรณ์ด้วยศีลแล้วก็มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาท ใจหลุดพ้นเพราะรู้ชอบตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นการรับสั่งถึงอาริยมรีองแปดประการหรือว่าไซ ส, สิขานั่นเองแต่ทั้งหมดคือสรุปแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยเทวดาไปเข้าใจบทสรุปพระอาจาร ย, า ย, าย์ขยายขยายออกมาสองสอ ง, สองที่นะฮะที่หนึ่งก็คือขยายออกไปเป็นกุศลกําบท แล้วก็ที่หนึ่งก็ขยายออกมาเป็นอริมัคมีองแปดประการอริมักมีองแปดประการกับกุศลกัมบทหรือว่าแม้แต่ใจสิกข า, านี่ยยงพวกเดียวกันทั้งนั้นนะนะท่านบอกว่าสัมมาวาจารือการเจราจาชอบเนี่ยตีท้ายควาว่าวจสานี่ก็คือสัมมาวาจา เจอสาอธิบายว่าแต่ใจเนี่ยไม่ใช่มรรคนะฮะใจเป็นที่เกิดของมรรคมรรคเขาเป็นเจตสิกนะฮะใจเป็นใจก็ละเรื่องกันพระอนั้นทัก็บอกว่าได้แก่จิตที่ประกอบด้วยด้วยมรรคคือมโนสุจริตสามประการแล้วก็ โนสัจสุจริตสามประการก็คือคืออะไรก็คือไม่โลภอยากได้คนงอื่นไม่พยาบาทปองร้ายบุนคคลอื่น <c oughs> เห็นชอบตามทํานองครองธรรมสรุปแล้วก็คือสุจริตทางไตรทวาร น, นั่นเองนะหรือว่าพูดง่ายๆตามอุวาตาปฏิโมกข์ก็คือการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลในทสมบูรณ์การนําจิตให้ปองใสแล้วต่อมาท่านก็อธิบายถึง อยากจะยกตัวอย่างเรื่องเรื่องเรื่องพชงอ่ะนะฮะเรื่องพูดชงเพาพูดชงที่จริงก็คืออะไรเยอะมากก็เป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจุบันนี้คนสนใจพูดชงกันเยอะทั้งสวด ท, ทั้งเทศทั้งบรรยายอบรมกันก็ดีนะฮะเป็นนิบินบาที่ดีในบาลีตรงนี้ใช้คำว่าอาตาปีสัมปชัญญนสติมาเหมือนกันในมาสติปฐานาสูตร สติมาได้แก่จิตสิกขาคือสมมาวายามสมาสติสมาสัมมาชิสัพพชานุก็คือสมาธิฏิสมมาสังกัปปะแล้วก็การเว้นส่วนสุดทั้งสองอย่างเนี่ยคือการละ ก, กามแล้วก็ไม่เสวยทุกขเพราะว่ากามเนี่ยมันเป็นทุกนะฮะกิเลสกามเป็นเหตุจะเกิดทุกตัววัตถุกามเนี่ยเป็นตัวทุก ผลการละได้ทั้งสองอย่างาก็คือหมายความมาถ้าละสมุทัยได้ก็คือละทุกข์ได้ละทุกข์ได้ก็คือละสมุทัยได้เพราะว่าพวกนี้ก็เป็นปัจจัยของการอะกันโดยจะพูดว่าดับทุกข์ก็ได้จะดับกิเลสก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันเทวดานั้นได้กราบทูลพระพุทธเ จ, จ้าว่ า, า, จจวาข้าพระองค์ย่อมทราบมัชฌิ ม, มาปฏิปทาอันไม่อาศัยส่วนสุด ส, ดสองเหล่านี้ ตามที่พระองค์สัตว์แล้วด้วยประการชนี้แล้วก็ทําการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะเป็นอันมากแล้วก็อันตราธานไปจากสถานที่นั้นประสูนยนี้ข้อความค่อนข้างยาวก็มีเนย้อที่ค่อนข้างละเอียดเพราะงั้นก็ว่าจะตั้งหลายวันสามสี่ครั้งได้กันแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยนะฮะประสูตนเหมือนจะไปเชื่อมโยง แล้วก็ไปตรงกับที่ประศุดอื่นๆแต่ฟังเราสังเกตว่าไม่มีประสุดอะไรที่แยกเดี่ยวไปเลยก็จะอยู่ในแวดวงของอริยศัสตร์นี่แหละต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่า น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองงามไปบุ์ในธรรม จะมีแตะท่านสานารชทั้งหลายโดยทั่วการทุ ก, กท่านถือ